ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกข้อความทั้งหมดตั้งแต่ข้อ6 2ถึงเ0เป็นข้อความจากทัศกนิบาตอังคุตรนิกาย 62. ที่ตั้งแห่งความอาฆาตสิบอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่ตั้งแห่งความอาฆาตสิบอย่างเหล่านี้คือ 1. บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่า เขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่เรา 2. บุคคลย่อมผูกอาคาตว่าเขากำลังประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่เรา 3. บุคคลย่อมผูกอาคาตว่าเขาจะประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่เราสบุคคลย่อมผูกอาคาตว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศ แก่คนที่รักที่พอใจของเรา 5. บุคคลย่อมผูกอาคาตว่าเขากำลังประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่คนที่รักที่พอใจของเรา6บุคคลย่อมผูกอาคาตว่าเขาจะประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่คนที่รักที่พอใจของเรา 7. บุคคลย่อมผูกอาคาตว่าเขาได้บําเพ็ญประโยชน์ แก่คนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเรา 8. บุคคลย่อมผูกอาคาดว่าเขากำลังบำเพ็ญประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเรา 9. บุคคลย่อมผูกอาคาตว่าเขาจักบำเพ็ญประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเรา 10. บบุคคลย่อมโกรธ ในฐานะที่ไม่สมควรดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่ตั้งแห่งความอาฆาตสิบอย่างเหล่านี้แหล63เครื่องนำความอาฆาตออกสิบอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเครื่องนำความอาฆาตออกสิบอย่างเหล่านี้คือหนึ่ง บุคคลย่อมนำความอาฆาตออกโดยคิดอย่างนี้ว่า <wir. S 1> เขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นความพิรุษแกเรา <S 2> 2. <S <unplug ged. S 2> จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นจะได้แต่ที่ไหน 2>, 2. บุคคลย่อมนำความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่าเขากําลังประพฤติสิ่งที่เป็นความพิราษแกเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้น <encoun S 1> จะได้แต่ที่ไหน 3. <valley> บุคคลย่อมนำความอาฆาตออก ด้วยคิดอย่างนี้ว่าเขาจะประพฤติส yup right? ิ่งที่เป็นความพินาธแก่เราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นจะได้แต่ที่ไหน 4. บุคคลย่อมนาความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาธแก่คนที่รักที่พอใจของเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นจะได้แต่ที่ไหน 5. บุคคลย่อมนำความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่า เขากาลังประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาาแก่คนที่รักที่พอใจของเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นจะได้แต่ที่ไหน 6. บุคคลย่อมนาเอาความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่าเขาจะประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาาแก่คนที่รักที่พอใจของเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นจะได้แต่ที่ไหน 7. บุคคลย่อมนาความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่า เขาได้บำเพ็ญประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นจะได้แต่ที่ไหน 8. บุคคลย่อมนำความอาฆาตออกด้วยคิดอย่างนี้ว่าเขากําลังบำเพ็ญประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นจะได้แต่ที่ไหน 9. บุคคลย่อมนำความอาฆาตออก ด้วยคิดอย่างนี้ว่าเขาจะบำเป็นประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นจะได้แต่ที่ไหน 10. บุคคลย่อมไม่โกรธในฐานะอันไม่สมควรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเครื่องนำความอาฆาตออกสิบอย่างเหล่านี้แล พระพุทธเจ้าไม่ทรงสันเสริญความหยุดอยู่ในกุศลละธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่สันเสริญความหยุดอยู่ในกุศลละธรรมทั้งหลายจะป่วยกล่าวไปใหญ่ว่าเราจะสันเสริญความเสื่อมในกุศละธรรมทั้งหลายอันหนึ่งเราย่อมสันเสริญความเจริญไม่สันเสริญความหยุดอยู่ ไม่สันเสริญความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่ความหยุดอยู่ไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้มีพื้นเพแค่ไรเกี่ยวกับศรัทธาคือความเชื่อศีลคือความเป็นปกติทางกายวาจาสุตตะความสดับตรับฟัง จาคะความสละปัญญาความรู้ปฏิพานความไหวพริบธรรมเหล่านั้นของเธอยอมไม่ตั้งอยู่ย่อมไม่เจริญขึ้นเรากล่าวข้อนั้นว่าเป็นความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความหยุดอยู่ไม่ใช่ความเจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละคือความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่ใช่ความหยุดอยู่ไม่ใช่ความเจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายความหยุดอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้มีพื้นเพแค่ไรเกี่ยวกับศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาปฏิพานธรรมเหล่านั้นของเธอย่อมไม่เสื่อมไปย่อมไม่เจริญขึ้น เรากล่าวข้อนั้นว่าเป็นความหยุดอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญดูก่อนภ many, ific, ิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละคือความหยุดอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่ความหยุดอยู่ ไม่ใช่ความเสื่อมเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้มีพื้นเพ์แค่ไรเกี่ยวกับศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญาปฏิพานธรรมเหล่านั้นของเธอยอมไม่ตั้งอยู่ยอมไม่เสื่อมไปเรากล่าวข้อนั้นว่าเป็นความเจริญในกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความหยุดอยู่ไม่ใช่ความเสื่อม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลคือความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่หยุดอยู่ไม่ใช่ความเสื่อม65ไม่ฉลาดในเรื่องจิตของผู้อื่นก็ควรฉลาดในเรื่องจิตของตนเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุไม่ฉลาดในปริยายคือเรื่องราวแห่งจิตของผู้อื่น เมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเธอก็พึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในปริยายคือเรื่องราวแห่งจิตของตนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมเป็นผู้ฉลาดในปริยายแห่งจิตของตนอย่างไรเปรียบเหมือนหญิงหรือชายรุ่นหรือเป็นหนุ่มเป็นสาวผู้รักการประดับตกแต่งเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในกระจกอันบริสุทธิ์ผ่องใส หรือในพื้นน้ําอันใสถ้าเห็นธุลีหรือมวลทินในเงาหน้านั้นก็ย่อมพยายามเพื่อ น, นาออกซึ่งธุลีหรือมวลทินนั้นเที่ยวถ้าไม่เห็นธุลีหรือมวลทินในเงาหน้านั้นก็มีความอิ่มใจเต็มปรารถนาด้วยเหตุนี้แหลว่าเป็นลาภของเราหนาเงาหน้าของเราบริสุทธิ์หนาดังนี้ฉันใดข้ออุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือการพิจารณาดังต่อไป น, นี้ของภิกษุย่อมมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย 1. เรามีอภิชาคือความโลภหรือไม่มีอภิชาอยู่โดยมากหนอ 2. เรามีจิตพยาบาทหรือความคิดให้ร้ายหรือไม่มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากหนอ 3. เราถูกความหดหู่ง่วงงุนรึงรัด หรือปราศ จ, จากความหดหู่ง่วงงุนอยู่โดยมากหนา 4. สี่เราฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหนา 5. ห้าเรามีความลังเลสงสัยหรือข้ามพ้นความลังเลสงสัยอยู่โดยมากหนา6หกเรามีความโกรธหรือไม่มีความโกรธอยู่โดยมากหนา7เจ็ด เรามีจิตเศร้าหมองหรือมีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากหนอ8แเรามีกายกระสับกระส่ายหรือมีกายไม่กระสับกระส่ายอยู่โดยมากหนอ9เก้าเราเกียจคร้านหรือปรารบความเพียรอยู่โดยมากหนอะสเรามีจิตไม่ตั้งมั่นหรือมีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากหนอ ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า 1. เรามีอภิชาคือความโลภอยู่โดยมาก 2. เรามีจิตพยาบาทคือความคิดให้ร้ายอยู่โดยมาก 3. เราถูกความหดหูง่วงงุนรึงรัดอยู่โดยมาก 4. ี่เราฟุ้งซ่านอยู่โดยมาก 5. เรามีความลังเลสงสัยอยู่โดยมากหก เรามีความโกรธอยู่โดยมาก 7. เรามีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมาก 8. เรามีกายกระสับกระสายอยู่โดยมากเาเราเกียดคร้านอยู่โดยมาก 10. เรามีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้ภิกษุนั้นก็ควรทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความตั้งใจความไม่ท้อถอย สติและสัมปชัญญะอันมีประมาณยิ่งเพื่อละธรรมอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นซะเหมือนคนที่มีผ้าถูกไฟไหม้มีศีรษะถูกไฟไหม้รีบทำผ้าหรือศีรษะนั้นให้ไฟดับไปฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าหนึ่ง เราไม่มีอภิชาคือความโลภอยู่โดยมาก 2. เราไม่มีจิตพยาบาทอยู่โดยมาก 3. เราปราศจากความหดหู่ง่วงงุนอยู่โดยมาก 4. เราไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมาก 5. เราข้ามพ้นความลังเลสงสัยอยู่โดยมาก 6. เราไม่มีความโกรธอยู่โดยมากเจดเราไม่มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมาก แปดเราไม่มีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมาก9เราปรารบความเพียรอยู่โดยมาก10เรามีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้ภิกษุนั้นก็ควรทําความเพียรเพื่อดํารงอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นและเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะยิ่งขึ้นไป66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 เปรียบเหมือนหญิงหรือชายรุ่นหรือเป็นหนุ่มเป็นสาวผู้รักการประดับตกแตง่งเมื่อดูเงาหน้าของตนในเงากระจกอันบริสุทธิ์ผ่องใสหรือในพื้นน้ำอันใสถ้าเห็นธุลีหรือมนลทินในเงาหน้านั้นก็พยายามเพื่อนำออกซึ่งธุลีหรือมนลทินนั้นเที่ยวถ้าไม่เห็นธุลีหรือมนลทินในเงาหน้านั้นก็มีความอิ่มใจเต็มปรารถนา ด้วยเหตุนั้นแหลว่าเป็นลาภของเราหนอเงาหน้าของเราบริสุทธิ์หนอดังนี้ฉันใดข้ออุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันคือการพิจารณาดังต่อไปนี้ของภิกษุย่อมมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย 1. เราได้เจโตสมาธิคือความสงบแห่งจิตในภายในหรือไม่ได้หนอ 2. เราได้อธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่งอันเป็นเครื่องเห็นแจ้งธรรมะหรือไม่ได้หนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเราได้เจโตสมถะในภายในยังไม่ได้อธิปัญญาอันเป็นเครื่องเห็นแจ้งธรรมะภิกษุนั้นก็ควรทำความเพียรเพื่อตั้งอยู่ในเจโตสมถะในภายในและเพื่อ อ, อธิปัญญา อันเป็นเครื่องเห็นแจ้งธรรมะได้สมัยอื่นภิกษุนั้นย่อมได้เจโตสมถะในภายในและย่อมได้อธิปัญญาอันเป็นเครื่องเห็นแจ้งธรรมะแต่ถ้าภิกษจพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเรายัางไม่ได้เจโตสมถะในภายในยังไม่ได้อธิปัญญาอ ō, ันเป็นเครื่องเห็นแจ้งธรรมะภิกษุนนั้นก็ควรทำฉันทะ ความพยายามความอุตสาหะความตั้งใจความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะอันมีประมาณยิ่งเพื่อให้ได้กุศลธรรมเหล่านั้นเหมือนคนที่มีผ้าถูกไฟไหม้มีศีรษะถูกไฟไหมรีบทำผ้าหรือศีรษะนั้นให้ไฟดับไปฉะนั้นในสมัยอื่นภิกษุนั้นย่อมได้เจโตสมถะในภายใน และได้อธิปัญญาอันเป็นเครื่องเห็นแจ้งธรรมะแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ยอมรู้อย่างนี้ว่าเราได้เจโตสมถะในภายในได้อธิปัญญาอันเป็นเครื่องเห็นแจ้งธรรมะดังนี้ภิกษุนั้นก็ควรทำความเพียรเพื่อตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นและเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะยิ่งขึ้นไป 67สิบเจหรือธรรมะทั้งปวงมีอะไรเป็นอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้านักบวชผู้ถือลัทธิอื่นพึงถามอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทำทั้งปวงมีอะไรเป็นมูลมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นที่รวมมีอะไรเป็นประมุขมีอะไรเป็นใหญ่มีอะไรเป็นยอดเยี่ยม มีอะไรเป็นสาระอย่างลงสู่อะไรมีอะไรเป็นปริโยสารเมื่อถูกถามอย่างนี้ท่านทั้งหลายพึงกล่าวตอบนักบวชผู้ถือลัทธิอื่นเหล่านั้นว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพระเจ้าข่าธรรมะของข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลเป็นแบบแผนเป็นที่พึ่งขอพระผู้มีพระภาคจงทรงยังอัตถะคืออธิบาย แห่งสุภาสิทนั้นให้จำแจ้งด้วยดีเถิดพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายสะดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจะทรงจำไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงฟังทำไว้ในใจให้ดีเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลรับคำแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย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 พึงกล่าวตอบนักบวชผู้ถือลทัทธิอื่นเหล่านั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุธรรมหรือธรรมะทั้งปวงมีฉันทะคือความพอใจเป็นมูลมีการทำไว้ในใจเป็นแดนเกิดมีผัสสะคือความกระทบเป็นต้นเหตุให้เกิดมีเวทนาคือความรู้สึกอารมณ์สุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นที่รวมมีสมาธิเป็นประมุข มีสติเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นยอดเยี่ยมมีวิมุตตคือความหลุดพ้นเป็นสาระอย่างลงสู่อมตะมีนิพพานเป็นปริโยสารเมื่อถูกถามอย่างนี้ท่านทั้งหลายพึงกล่าวตอบนักบวชผู้ถือลัทธิอื่นเหล่านั้นอย่างนี้แหลสําหรับคําว่าปริโยสารแปลว่าที่สุดลงเดอรอบ หมายความว่าที่สุดหรือจบลงอย่างบริบูรณ์แล้วหกิ 68. ละธรรมหรือธรรมะสิบอย่างไม่ได้ยังไม่ควรเป็นพระอรหันต์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละธรรมสิบอย่างเหล่านี้ไม่ได้ก็ไม่ควรทาให้แจ้งซึ่งอรหัตตผลธรรมะหรือธรรมสิบอย่างคือ 1. ราคะความกำหนัดยินดี 2. โทสะความคิดประทุษร้าย 3. โมหะความหลง 4. โกทะความกโกรธ 5. อุปนาหะความผูกโกรธ 6. มักขะความลบหลู่บุญคุณท่าน 7. ปลาสะความตีเสมอ 8. อิศาความริษยา 9. มัชฉริยะความตรณีสิบมานะความถือตัวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละทำสิบอย่างเหล่านี้แลไม่ได้ก็ไม่ควรทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตะผลละทำสิบอย่างได้จึงควรเป็นพระอรหันต์ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรมะหรือธรรมสิบอย่างเหล่านี้ได้จึงควรทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลธรรมะหรือธรรมสิบอย่างคือ 1. ราคะความกำหนัดยินดี 2. โทสะความคิดประทุสร้าย 3. โมหะความหลง 4. โกทะความโกรธ 5. อุปนาหะความผูโกรธ 6. มักคะความลบหลูบ่บนคุณท่าน 7. ปลาสะความตีเสมอ 8. อิศาความริษยา 9. มัชริยะความตรณีส0มาณนะความถือตัวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลละทำสิบอย่างเหล่านี้แลได้จึงควรทำให้แจ้งซึ่งอรหั ต, ตผล เจสิคนที่เกิดมาแล้วมีขวานเกิดมาในปากด้วยคนพานเมื่อกล่าวคำชั่วชื่อว่าใช้ขวานนั้นปั่นตนเองผู้ใดสรนเสริญคนที่ควรติติคนที่ควรสรรเสริญผู้นั้นชื่อว่าใช้ปากเลือกเก็บความชั่วไว้จะไม่ได้ประสบความสุขเพราะความชั่วนั้น ข้อความทั้งหมดตั้งแต่ข้อ62ถึงเ0เป็นข้อความจากทัศกนิบาทอังคุตระนิกาย